ชาตานี้ก็เป็นเชา้าวันจันทร์วันที่สิบแปดกุมภาพันธ์พุทศักราันห้ารเป็นวันพระแล้วก็สวดบทที่เป็นใจชนะ องสมเด็จสมาเจ้าได้ใช้ชีวิตนักบวชเวลามีเหตุการณ์ท่านก็ใช้สติบ้างสมาธิบ้างใช้ความอดทนบ้างใช้ปัญญาบ้างหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นคุณค่าคุณธรรมเกิดมาจากการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ นำมาใช้ได้ผ่านอุปสรรคก็ชื่อว่าบทพาวงเมื่อกี้เราสวดกันส่วนใหญ่ก็จะสวดกันในงานทำบุญงานมงคลในความหมายของการสวดก็คือการน้อมเข้ามาใส่ตนเพื่อให้เกิดความสะดวก ในการใช้ชีวิตทำหน้าที่ทำการงานต่างๆให้สำเร็จรู้ล่วงแล้วเกิดสันติสุขสันติภาพเกิดการแจ้งประจักษ์การปรากฏเป็นข้อเท็จจริงต่างๆภายในกายในใจของเราแล้วก็ต่อสังคม วัดป่าสุกโตก็เป็นวัดที่นะมีชื่อเสียงในประเทศไทยก็ถือว่ามีชื่ออยู่ถ้าใครเล่นอินเทอร์นเน็ตเนเซิร์ชเข้าไปปั๊บมันจะขึ้นทันทีมีเรื่องราวต่างๆในวัดป่านะโปรโปรากฏเป็นข้อมูลนะที่บอกถึงปัฒนาการไปในทิศทางที่ เป็นความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ก่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเราก็ได้มาใช้ลักษณะของการฝึกหัดรับรู้เรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงกันก็ได้การมาฝึกสติเจริญสติเราก็เห็นว่าทุกครั้งที่มีกลุ่มเข้า ไม่ว่าจะเป็นที่พังกลับไปก็ตามเป็นคณ ะ, ะของกลุ่ม อ, อวจอซึ่งเป็นผู้บริหารหรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่ ก, การงานเพื่อสังคมเป็นประโยชน์สำหรับจังหวัดชัยภูมิบุคลาก ร, กรก็แตกแยกกระมวงประเด็นตรงๆเลยก้าวแล้ว สามัคคีกันไม่ค่อยมีแล้วก็มีความเห็นในทิศทางที่แตกต่างกันไปแต่ว่าปรารถนาดีต่อองคอ์กรก็ไม่ค่อยตรงกันแต่สุดก็เลยร0 0ซถูกบังคับให้มาปฏิบัติกันทั้งสามรุ่นเราใช้หลักสูตรระยะเาสั้น3มวันเราเห็นสามวันเนี่ยทำให้เกิดศรัทธานี่ก็ยังยากนะ ที่วยากเพราะว่าจิตมันต้านนะการที่จิตมันต้านมันก็จะไม่ได้ยอมรับนะทั้งสถานที่ทั้งบุคคลทั้งรูปแบบทั้งวิธีการนะการได้ยินได้ฟังการเทศนะก็จะมีลักษณะของการต้านอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นจะต้องมีการละลายพฤติกรรมเวนะ ล, ลาจะมีการอบรมกันเนี่ยจะต้องละลายพฤติกรรมนะก่อนเข้ามาเคยเป็นยังไง ก็แหววางไว้ก่อนมาที่นี่ก็ต้องสำรวมระวังกันต้องมีอินทรีย์สังวรอย่างนี้นะต้องประมาณในการบริโภคต้องขยันสนใจใส่ใจในวิธีปฏิบัติรูปแบบปฏิบัติซึ่งให้คิดทำกันเอาเองก็คงจะยากนอกจากบังคับทำในเบื้องตน้นหรือว่าสร้างศรัทธาให้ได้ใน1วัน2วันค่อยๆสอดแทรกวิธีการปฏิบัติ อันเนี้ยก็จะต้องเป็นเทคนิคเป็นศาสตร์เป็นศิลป์อยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นลันกษณะของการมาอยู่ร่วมกันเป็นการฝึกหัดบางทีเราก็ฝึกหัดตัวเองบางคนบางท่านหรือว่าเราก็ฝึกหัดตัวเองกันบางทีก็ให้เพื่อนของเรานะช่วยลักณนะว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าเป็นแบบเป็นอย่าง เรื่ความปรารถนาดีต่อกันเราก็เป็นกัลยาณมิตรกันตรงนี้มันจะเป็นวิถีเรียกว่าเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ความไม่เสื่อมความรู้สึกตัวที่เกิดจากการเคลื่อนกันไหวแต่ละขณะอันนี้มันจะเป็นกรอบเป็นขอบเป็นเขต ท, ที่เป็นเกณฑ์ชีวัดแต่ละขณะปัจจุบันขณะก็จะบอกถึงอดีตอนาคต ที่เคยเป็นสุขที่เคยเป็นทุกข์ที่เคยคิดเกิดการปรุงแต่งต่างๆจนก่ออารมณ์จากเล็กไปหาใหญ่เราก็ได้เห็นว่าเออทุกครั้งมีความรู้สึกตัวจิตกลับคืนสู่ความเป็นปกติหรือเปรียบเหมือนกับว่าเป็นบ้านของจิตอันนี้เราก็จะได้เห็นว่าจิตมันก็มีที่พึ่งเหมือนกันซึ่งองค์สมเด็จสา ม, มาจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์ตั้งก็บอกชี้นําจนเรามาทำแล้วก็สังเกตได้ว่าอ๋อ ความเป็นปกติมันมีจริงๆมันจะรู้จักใช้สติสีสมาธิปัญญาตามสมควรแก่การปฏิบัติระดังการพลิกมือตั้งอันนี้หลวงพ่อคำเขียนในอัตถิวิมศักดิ์สิทธิ์ศักด์รักศิทธิ์คำว่าศักด์นี่เราเห็นว่าศักขาวดําศักสีศักลายทั้งตัวเนี่ยนะก็คือศักด์แต่ว่าเป็นศักที่เป็นรูปธรรม เป็นหน้าของไม้สักอย่างเงี้ยนะเห็นเป็นรูปธรรมมีลายเหมือนกับการสักนีกรณีสักที่เป็นนามธรรมก็สักที่เป็นสอสอคอเงี้ยนะสักสีสีที่จะเป็นสีขาวสีดําสีแดงที่เป็นวัตถุรูปธรรมเป็นสอเสือมันก็เป็นสักสีที่เป็นสอคออีกเป็นลักษณะของ นำมธรรมที่เกิดเป็นคุณธรรมภายในจิตใจของเราจะเป็นสีของเมตตาสีความเอื้อเฟื้อสีของกรุณาหรือว่าสีของมุทิตาอเวขาจะเป็นสีของความอดทนอดกลัน้นสีของอเวขาธรรมสีของความขยันหมั่นเพียรต่างๆก็เป็นสีซึ่งมีอยู่กับใครก็เกิดความสวยงามงดงามขึ้นมาทางกายวาจาใจ เราได้เห็นทุกครั้งที่รู้สึกตัวรูปรอยต่างๆที่มันเป็นอาการปรากฏที่กายที่ใจจะแสดงออกมาให้เราได้อ่านเราก็จะรู้แหล่งรู้ที่อยู่เราก็ได้หลักของคุณธรรมจริยธรรมมันก็จะมีหลักอยู่ในความรู้สึกตัวซึ่งเต็มพื้นที่ของจิตใจเราแล้วทุกคนคุณธรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เมื่อเรารู้สึกตัวแล้วมันจะปรากฏมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะอ ก, อกุศลธรรมอกุศลธรรมแล้วก็โดยเฉพาะกรรมนะการกระทําที่เราคิดเคยพูดเคยทำํำนะมันจะมาทับเป็นบันทินนะเป็นรอยสกปรกนะที่เศร้าหมองอยู่ภายในจิตใจของเรานะความเศร้าโศกเสียใจนะความขี้น้อยใจขี้เหงาขี้ว้าเวร เราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องรอยที่ปรากฏอยู่แล้วก็กลายเป็นประโยชน์สําหรับนักปฏิบัติก็คือเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเราก็จะเห็นว่าอาการเหล่านั้นเป็นเพียงแค่อาการก็ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าความคิดพิธีคิดนี่แหละมันจะปรุงแต่งเข้าไปแล้วก็ตีความกลายเป็นว่าจริตนิสัยทํางานเป็น ล, นะลักษณะของลึกๆก็เรียกว่าสันดานเลยนะ อันเนี้ยสันดอนมันขุดไงแต่ว่าสันดา น, นขุดยากมันจะแสดงปรากฏเชิญชวนชี้นำสร้างกระแสให้เราได้หลงพัดตกลงไปในความทุกข์ในความเสื่อมเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราเห็นตรงนี้มันเกิดความมั่นคงขึ้นมาเป็นที่อยู่พึ่งได้จริงจริเสร็จแล้วเราก็จะทำงานทำการด้วยความมีสติให้สติปัญญาพาทำไป ตรงเนี้มันจะไม่เกิดความก้าวแล้วไม่เกิดแล้วนะก่อาการที่เรียกว่าแตกแยกหรือว่าถึงความเห็นมันไม่ตรงกันก็มนไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทะเลาะกันวิวาทกันมันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าอ๋อสมบัติบัญญัติของเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาก็คินเขาถูกแบบของเขาอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาจริงจริมันจะเกิดการให้อภัยเกิดการเห็นอกเห็นใจนะเกิดความให้โอกาสขึ้นมา มันจะเกิดการให้โอกาสนซึ่งกันและกันรอได้คอยได้ไม่เป็นไรมันก็เกิดจากความรู้สึกตัวสติศีนสมาธิปัญญาที่มันปรากฏขึ้นมาไ่เห็นว่ากรรมดีเป็นไงกรรมชั่วเป็นไ ง, นไงการทําดีมันจะมีความสุขระดับไหนนานเท่าไร่และเดี๋ยวจะต้องเกิดอะไรขึ้นมาอีกตามเหตุปัจจัยของความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมต่างๆพอมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้พอมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันแล้วกันเราก็ได้เป็นภาวะของผู้ดูเอาสิ่งเหล่านั้นมารับรู้ดูเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นต่อไปอันนี้เราจะได้เห็นในสังคมอินดูหนังดูละครอินไปในบล็ครนดูตัวกองก็เกลียดตัวโกงดูนางเอกพระเอกรักพระเอกนางเอกดูแล้วซาบซึ้งก็ร้องไห้ดูแล้วดีใจ ก็ยิ้มดูแล้วตลกกับหัวเลาะเราก็จะได้เห็นเลยชีวิตจิตจืดไม่ค่ยมีปกติไม่ค่อยมีเหมือนสมัยหนึ่งตอนเป็นเด็กนะก็เรียนโรงเรียนที่เขาเรียกว่าโรงทําเหมือนกับสลไอยา่างเป็นที่พักศพนะเป็นที่วางศพช่วงไหนก็วางศพกลัวถต่ก็ไปดูกันพาเพื่อนไปดูกันแล้วก็ชวนกันวิ่งหนี้สนุกบางทีก็ก็มีลิเก วันดีคืนดีก็เอาลิเกมาแสดงนะก็เคยดูลิเกคราวนี้พระเอกกำลังลบกับตัวโกงฝันดากันชงเชงชงเชงชงเชงชงเชงตัวโกงก็แสดงสมบทบาทจริงๆสู่พระเอกไม่ไหวก็ดดลงมาจากเวทีก็ไปมั่วอยู่กับคนดู่ะนะปรากฏว่าคนดูนี่อินกับบทนะช่วยกันไล่ตีตัวโกงอะนะ วิ่งหนีไปบนเสาไฟนั่นเลยโยมเห็นตัวโกงกับปีนเสาไฟฟ้านะี่ยเออมันเป็นภาพเลยนะเนี่ยดูหนังดูละครละอินกันมากเลยหรือว่าละครทุกวันเนี่ยเราเห็นแล้วว่าบางทีตัวแสดงที่แสดงสมบทบาท น, นะเป็นตัวอิจฉาแสดงนะไปตลาดแม่ค้าเนี่ยเอาของไล่ปลาเลยก็มีอันนี้เลาเรียกว่าสาภาวะของไม่ใช่ผู้ดนะูเป็นภาวะที่หลงอยู่ตลาดเวลาหลงโลกนะ มีตาหลงทางตามีหูหลงทางหูจมูกหลงทางจมกูกมีกายมีใจหลงทั้งหมดเลยเพราะความคิดนี้ยิ่งใหญ่ตาดูคิดต่อปรุงแต่งต่อหูฟังคิดต่อปรุงแต่งต่อเอาจิตนิสัยมาความคิดมาตีความเป็นถูกเป็นผิดเป็นเหตุเป็นผลเปรียบเทียบต่างๆนะฮะนี่นให้กลับมารู้สึกตัวแล้วก็ฝึกกันอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นมาก็นั่นแหละเป็นบทเรียนที่ดีเป็นครูสอนเรา เราก็คารบเหมือนกับหลวงพ่อเคยพูดว่าเออเราคารบพระธรรมกุศลธรรมแล้วก็พยายามออกห่างกุศลธรรมแล้วก็ทําเข้าไปเราเรียกว่าวิปวัตัญหาเนี่ดีมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์สร้างโลกให้สวยงามเป็นศิลปะก็เป็นกามทั้งนั้นแหละแต่เป็นกามะคุณเป็นวัตถุกามคุณที่สร้างสรรค์วัดป่าสุกตนั้นก็เป็นกามทั้งนั้นแหละที่มองไปแล้วแต่เป็นวัตถุกามะคุณเป็นกามที่ให้คุณ ให้คุมในทิศทางที่เป็นลษณะของสถาบันสติปัฏฐานเราก็จะใช้วัดป่าสุกโตเนะี่ยเราก็ไม่ได้ใช้คนเดียวนะคนทั้งประเทศไทยคนทั้งโลกก็มาใช้กันเราเห็นมีคนจีนมีสีร่างกามีต่างชาติแล้วก็หลากหลายนะทุกทั่วจังหวัดที่มีอยู่ในประเทศไทยก็มาใช้กันเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นลษณะของเจ้าของวัดป่าสุกโตกัน เราก็ไม่ได้เลือกที่รักไม่มักที่ชังมาสะอาดก็จัดสะอาดให้มาสกปรกก็จัดสกปรกให้เนี่ยเป็นกระบวนการยุติธรรมให้ในสิ่งที่ควรให้ไม่ให้ในสิ่งที่ไม่ควรไม่ให้อันนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมสมควรเสพอย่างละเอียดก็เสพอย่างละเอียดให้แล้วเกิดความสุขแล้วก็ให้ให้แล้วไม่เกิดความสุขเราก็ยังไม่ให้หรือว่าให้ไปแล้วจําเป็นจะต้องให้เพราะก็ร้องขอก็ร้องขอจริง ๆ, ๆ ต้องการต้องการต้องการนั่งยังไม่สมควรได้อะไรก็ตามบางทีเข้ามาใหม่ๆชี้เจ้านั่นเอานี่เอาน่นอย่างนี้ยชี้ยาวจริงๆบางทีเราก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างคนที่จะมาบวชเนี่ยบางทีบอกว่าเดี๋ยวก่อนรอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยอย่างนี้บางทีก็รอไม่ได้นะบางทีมันร้อนอยากจะบวชพอบวชเสร็จก็ร้อนอยากจะศึกเป็นตัวความรู้เป็นตัวกิเลส เป็นตัวราคา่าเป็นตัวอะไรมากมายแล้วเกินธรรมะตัณหาตรงนี้เป็นแล้วเราก็สังเกตดูความรู้สึกตัวมันจะบอกเราทุกครั้งที่เื่อนไหวใจรู้เนี่ยนะตัวครั้งที่มีการกระทบสัมผัสรู้สึกตัวนะมันจะบอกถึงความราบเรียบชีวิตเราต้องมีความราบเรียบเหมือนกับหลวงพ่อคุบาอาจารย์ผู้รู้ต่างๆว่าให้เรียบเหมือนกับนากรชัย กองสบัดใจอย่างนั้นหน้ากองมันจะเรียบนะแล้วก็กว้างทางเหนือก็จะมีกองเช่นหนึ่งชื่อกองสบัดใจเวลาลบกับพมา่าแล้วก็ลบชนะจะตีกองสบัดใจมาฉลองกันอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีทุกวันนี้นะกองสบัดใจนะให้มันเรียบเหมือนกันหน้ากองใจอย่างนั้นนะนะหรือว่าลักษณะของที่เรียบซึ่งหลวงพ่อเขียนท่านชอบเปรียบเทียบว่าเมื่อมีสติเนมจะแลบเรียบนะ มันจะไถถนนไนะถพื้นที่จนเรียบนรวบเปรียบเหมือนไม่กวาดเนี้่กวาดไปที่ไหนมันก็สะอาดที่นั่นนี่สติเหมือนจะเป็นอย่างนั้นมันก็จึงสะเทินเป็นอาการของสะเทินสะเทินสุขก็สะเทินก็คือมันไม่หลงก็ไปในความสุขสะเทินทุกมันก็คือไม่หลงไปในความทุกอมันเป็นปกติอยู่ตลอดเวลานทุกครั้งที่มีความรู้เนื้อรู้ตัวกลับมารู้สึกตัว หลงเผลอไปก็กลับมารู้ว่าหลงองี้เรากลับมารู้สึกตัวก็จะเป็นแดนเป็นที่อยู่เป็นพิมพ์หลุดพ้นจากอาการจากอารมณ์ทั้งปวงก็คือสภาวะของผู้ดูที่ดูอย่างมีชั้นเชิงบางทีก็อ่อนๆผ่อนตามบางทีก็ตามน้าไปบางทีเราก็ไม่เอาอย่างไม่ไม่ทําตามมันก็จะมีขึ้นอยู่เป็นเรื่องของการ สมสมานสามาคคนะีเชื่อมโยงแล้วก็เป็นเรื่องของพลังทีเดียวนะพลังของสติสมาธิปัญญานะที่เกิดจากการนะสแสดงออกของกายนะสแสดงออกของวาจาและโดยเฉพา ะ, สะแสดงออกมาจากจิตตรงนี้นะจิตนิยัยนะสั่งวาจานะจะพูดอะไรก็ได้ส่อเสียดคำหยาบเพนะิเจอร์นะโกหกหรือว่านินทา ใส่ลายปสียสนะีสารพัดบางทีตาดูก็หลอกงทีหูฟังก็หลอกนะเราก็จึงตรงนี้เราไม่รีบสรุปนะการปฏิบัติธรรมก็จึงไม่ต้องรีบสรุปนะให้เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะพลิกมือรู้สึกตัวนะยกมือรู้สึกตัวนะไม่สรุปอะไรทั้งหมดเลยนะในโลกใบนี้เดี๋ยวเราก็ตายแล้วนะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วจริงๆหลายสิ่งหลายอย่างนะที่มันจะเกิดและปรากฏขึ้นมาก็ถือว่าดีเรามีบุญที่ได้ใช้นะ ชีวิตนแล้วก็ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนเมื่อวานได้ยินนักวราชญธรรมอยู่ท่านหนึ่งพูดได้หน้าฟังนะหลายคนก็กลัวโลกแตกกันกลัวน้ําท่วมแล้วกลัวตายแต่คนนี้ก็พูดได้หน้าฟังว่าเขาเองเนี่ยมีความรู้สึกถ้ามันแตกเนี่ยรู้สึกว่าเป็นบุญจริงๆริรู้สึกว่ามันเป็นโชคเป็นประสบการณ์ที่ดีในการมีชีวิตจริงๆเพราะว่าน โลกมันกี่ยล้านปีแล้วมันก็ไม่มีปรากฏการณ์งี้เลยหลายคนเกิดตายเกิดตายแล้วก็ไม่ได้เห็นความจริงนะอย่างที่เราเห็นเลยนะว่าโลกแตกมันเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวมันเป็นอย่างเนี้ย่างเงี้ยน้ำมันท่วมโลกเป็นอย่างนี้นะมันโชคดีนะไม่ใช่โชคเลยเลยแหละปรากฏการณ์ที่สําคัญซึ่งเวลาเขาแสดงละครกันก็ถ่ายหนังกันต้องสร้างฉากจําลองหรือว่าทําเทคนิคต่างๆรอคน นตนี่ไม่เห็นจากของจริงแล้วได้ตายเพราะธรรมชาตินะโอ้มันชื่นใจจริงประเภทฟ้าผ่าตายนรัว่าน้ำท่วมตายแผ่นดินถล่มตายผูกขาวไฟระเบิดแล้วก็ตายมันได้เห็นของจริงมันตายจากธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติอย่างโอ้มันสุดยอดแล้วชีวิตนะฟังดูแล้วโอ้มันดูดีจริงเป็นอันเดียวเราฝึกสติแล้วก็เห็นอย่างนั้ น, นะว่ามันไม่ได้มีความกลัว ความกลัวไม่มีถ้ากลัวก็กลัวใจตัวเองที่ทําให้คนอื่นทุกตรงนี้มากกว่ากลัวจริงๆกลัวว่าเราจะพูดไปแล้วก็ทุกข์แสดงอาการออกลงไปแล้วก็ทุกข์บางที่อาตมาเนี่ก็กลัวตัวเองนะกลัวตัวเองตรงที่ว่าเวลาเดินไปนะเราจะเป็นคนที่หน้าเบึ้งตึงเครียแล้วหน้าบูดเวลาจิตปกตินะหน้าตาปกตินะะมันจะเป็นอาการบูดบูดเบึ้งบึงหน้ากลัวนะ เพราะมก่อนนะเคยแล้วหนาะที่ว่ามันก็ฝึกอะไรเราฝึกแบบทรมานตัวเองพอสมควรเหมือนกันทํางานในทําหามม้วงหามข้ามแบบทรมานตัวเองมันก็เครียดนะจะพูดแล้วมันเครียดจากทางโลกมาทํางานทําการใช้ชีวิตมาด้วยความเครียดเพราะฉะนั้นไอ้ความเครียดยังฉาบอยู่ฉาบอยู่บนใบหน้ามั้งแววตามั้งกายการการเดินบางทีเก๊กเ๊เกงเกงเอียนมันยึดอ่ะนะมันเดินเหมือนคนปกติก็ได้ยากละ บางทีมันก็กลัวเหมือนกันว่าคนก็เห็นเราก็จะทุกใจเนะพราแม่เราทําหน้าตาเรามาหน้าตาเป็นแบบเนี้เวลาเรานะทําหน้าปกติปกตินะมันเหมือนก็เครียดนะบางทีเขาเห็นก็กทุกใจอย่างนะี้เราก็กลัวตรงนั้นทีเราก็เออไม่อยากจะหาใครอยู่กับใครเหมือนกันบางทีอยู่กับกลุ่มเวลาประชุมกันมันพูดธรรมดาก็ไม่ก็เป็นนะไม่รู้เป็นยังไงเวลาพูดต้องมีอีกเสียงเพิ่งโผล่มาทุกทีเลยต้องมีอีกสำเนียงโผล่มาทุกทีเลยเวลาคิดเวลาพูด พลังมันดันขับออกมาจากข้างในยเงี้ยเรากลัวจริงๆก็เลยนิ่งๆหยุดหยุดเฉยๆเงียบๆไปย่างเงี้ยถ้หลบได้ก็จะหลบลนะนะจะไม่ค่อยอยากจะวุ่นวายยุ่งเพราะเดี๋ยวมจะยุ่งเหยิงสับสนอะไรมันกลัวตัวเนี้ยกลัวที่สุดเลก็เลยขออยู่เงียบๆทํางานเ ง, งียบๆถ้าที่มันมีคนมาเกี่ยวข้องแล้วทําได้สามารถทําได้อย่างหลวงพ่อมีงานก่อส ร, ร้างเลยนะ ตัวเองก็บอกตัวเองอย่าไปยุ่งเลยกับงานก่อสร้างท่านหลวงพ่อทำนะเพราะว่าถ้าทำแล้วงานต้องเสร็จแล้วงานส่วนใหญ่ก็ทํากันแบบเช้าชามเย็นชามจริงๆนะส่วนใหญ่นะเราก็เห็นล่องงานมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันก็เรียกว่า bar c ์ a r t diagram นะภาษาก่อสร้างนะเพราะว่า b a ์ชาร์ t d i a g แกรมมันก็สามารถที่จะวางได้ว่างานชิ้นเนี้ยทำหนึ่งคนแล้วก็กี่วันจบงานฉาบ หนคนกี่วันจบขุดหลุมสักหลุมเนะ้่กี่ลูกบาทเมตรนคนกี่วันจบก็จะวางเป็นบายชาร์ดไดแกรมไว้เลยนะเรียกบายชาร์ดไดแกรมเป็นลนักษณะของเส้นทึบวางเอาไว้วางเอาไว้เป็นลูกศรว่าจากวันไหนถึงวันไหนจากวันไหนถึงวันไหนใช้คนจํานวนกี่คนถ้าจะใช้วัสดุอะไรบ้างใช้ค่าแรงจํานวนกี่บาทเสร็จแล้วก็จะมีแอโร่ตามวันนี้เริ่มต้นและแอโร่จะเริ่มตามแล้วทับลูกศรไปเรื่อยๆ ถ้าหวันไหนเกินก็จะต้องมาสังเกตแล้วเกิดอะไรขึ้นมันใช้ความคิดใช้ประสบการณ์เสร็จแล้วเพื่อให้เกิดผลกําไรสูงสุดถ้าระยะเวลาการทํางานสั้นก็หมายถึงประหยัดค่าแรงนะถ้ามีโฟแมนสั่งงานก็หมายถึงว่างานมันเดินเพราะโฟแมนก็จะรู้จริงอย่างนี้เราก็รับวิชาความรู้ทางด้านวิศกรรมมาจากวิศกรเรื่องของความสวยงาม สะอาดสว่างสงบก็ได้มาจากสถาปนิกยางไงได้เสร็จแล้วจะมีการออกแบบร่วมกันระดมสมองร่วมกันเทคนิคเชียนกนไปดูแลคุมแล้วก็ายสั่งคนงานถ้าบาชาร์จแดกแกรมมันหลุดก็นั่นหมายถึงว่าก็จะต้องพิจารณาคนที่กำกับว่าเกิดอะไรขึ้นมันผ่านระบบพวกนี้มาก็เลยไม่อยากยุ่งเลยงานนะพอที่นี่ทำกันแบบโอ้โหแบบมีเมตตาสูงมากงานการทางานเเทะไปหมดนะ ปล่อยตามปล่อยเราก็เลยดูอย่างเงี้ว่าเออเราก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องว่าถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องปั๊บคนที่ไม่รู้งานก็จะทุกจะทุกทันทีเลยก็จะทุกเพราะว่าก็เขาไม่รู้เขารู้แค่นี้ามาพูดอะไรกนันนะเดี๋ยวกันซัดสลอกอย่างเงี้ยพราะคนงานก็จะอามรมณ์ร้อนว่าทํางานอยู่ตลอดแต่ว่ามันทําได้แค่นี้จริงๆศักยภาพประสิทธิภาพอันนี้ก็ต้องสร้างเสริมสอนเรียกว่าบอกถึงว่า วิธีทำที่มันถูกต้องแล้วก็ทําแล้วก็มาได้งานที่เป็นมาตรฐานนะ่นคือตรงไหนแล้วก็ฝึกหัดกันจนกระทั่งยอมรับยเี้ก็จะต้องเลี้ยงเล่ากันประเภทนี้นะไม่ยากคุยกันด้วยเล่าตกเย็นนะ่งตั้งวงแล้วคุยกันเลยได้ใจลูกน้องนะเลี้ยงไม่ยากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามาอยู่วัดอยู่วาแล้วาไม่ใช่คนไกลพวกนี้เลยนะใช้กลไกของสภาวะที่ให้เหตุปัจจัยดําเนินและโตได้ตัวของมันเองตามลักษณะของ คนทุกคนมีสิทธิแสดงออกอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ด้วยความรู้เนื้อ ร, รู้ตัวและมีสติเพราะนับ ว, วันวัดมันก็จะเจริญเติบโตแล้วก็คนหลากหลายพ่อหลายแมนะ่ภูมิชาติกาเนิดคนนะลักษณะจระจัดหรือว่าเราไ่รู้ว่านอนไปเท้าก็จะเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นระบบนะเราก็ต้องสร้างระบบข้างในใจของเราให้มันเข้มแข็งขึ้นไป ให้เป็นระบบของความรู้สึกตัวรู้หรเป็นเปียกรู้หรือเป็นหางนะแล้วก็พร้อมเผชิญด้วยนมาถึงเวลาไม่ต้องเป็นลิ้นต่อลิ้นฟันต่อฟันมัดต่อมัดกันมันก็จะเป็นอย่างนั้นทันทีถึงตรงนั้นก็เช็คบินก็ไปตามยถากรรมกันมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือกฎของธรรมชาติแล้วก็ที่ไหนก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งโลกเลยแต่ว่าธรรมะเจชนะธรรมธรรมชาติในยิ่งใหญ่และท้ายสุดก็จะเป็นทั้งประเดชและเป็นทั้งพระควรนั่นแหละ เป็นเมตตาที่มันสามารถปรับสมดุลทําให้โลกใบนี้เกิดการไม่เหลื่มร่าต่ําสูงแล้วเอียงเทไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเมื่อมีขาวก็ต้องมีดําะเมื่อมีมืดก็ต้องมีสว่างเมื่อมีทุกขก็ต้องมีไม่ทุกเนมันจะต้องมีขึ้นมาเมื่อมีหลงก็จะต้องมีรู้เมื่อไม่มีสติมีสติสันชาติญาณก็ต้องมีสติปัญญานเกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะของการผ่านนะ แบบบทสวดที่เราสวดกันเมื่อสักครู่นี้บทพาหุงนทําให้เกิดชัยชนะทั้งปวงขึ้นมาอยู่เหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายอยู่เหนือความเชื่ออยู่เหนือความทุกข์ต่างๆมันก็จะมีขึ้นมาแต่ประเดน็นก็ให้เรานะได้ฝึกลักษณะของสติให้มีความมั่งวัเป็นไวัยพิปฏิพนันรู้ทันกายรู้ทันใจรู้รูปนามขันห้า จะทั้งเห็นวงจรของปฏิจจสมุบัติทิมปรากฏขึ้นมาในรูปรล่อห่งการคิดเกิดดับเกิดดับเป็นพระไต่ลักษนาทียิบเลยก็ขอให้การปฏิบัเดียงของเราทั้งหลายนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้ น, ก, รร น, น, นก็จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกขโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนนั้นเถอด